ปกติครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิเสียพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปซูตอนที่สามร้อยยี่สิบแปดหัวข้อการจําแรงพระวรากายของพระเยซูพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบเจ็ดครับพระธรรมมัทธิวบทที่สิบเจ็ดข้อหนึ่งจนถึงข้อที่สิบสามโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครั้นล่วงไปหกวันแล้ว พระเยซูทรงพาเปโตยากรอบและน้องยอนน้องของยากรอบขึ้นภูเขาสูงแต่ลำพังแล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาพระพักของพระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์จาองพระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่างโมเสสและเอลียาก็มาปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั้นกำลังเฝ้าสนทนากับพระองค์ฝ่ายเปโตทูลพระองค์ว่ารองค์เจ้าค่ะซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดี ข้าพระองคต้องพระประสงค์ข้าพรงจะทำเพลิงสามหลังที่นี่สำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งสำหรับเอลียาหลังหนึ่งวันนี้เราจะอ่านในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่เท่านั้นนะครับและในวันพรุ่งนี้เราจะอ่านต่อครับพี่น้องครั บ, พ, บพระเจ้านพเจ้าในสี่ข้อนี้ได้ทำให้เราเห็นถึงความสาคัญของ การจำแรงพระ ก, กายของพระเยซูโดยในยะหนึ่งแล้วนะครับในยะหนึ่งแล้วการจำแรงพระ ก, กายของพระเยซูกำลังสื่อสารเนื้อหาสาระที่จำเป็นที่สำคัญอีกสาระหนึ่งถามว่าสำคัญขนาดไหนครับสำคัญเพราะเนื่องจากนี่คือการเกี่ยวโยงกับการเฉ ด, ด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูการเกี่ยวโยงกับการเสล็จมาครั้ ง, งแรก ถึงครั้งที่สองของพระเยซูมีผู้ที่มาเกี่ยวข้องด้วยก็คือโมเสสและเอลียาพี่น้องครับวกวันผ่านไปนะครับหลังจากที่พระเยซูได้เสร็จสิ้นพระราชกิจในแคว้นซีซเรียเป็นปีแล้วก็กลับมายัางภาคใต้ของจัลิลีพี่น้องครับพระเยซูพาเหล่าสาวกขึ้นไปบนภูเขาสูงภูเขาสูงในที่นี้นะครับได้ เขียนไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบเจ็ดข้อที่หนึ่งสาวกสามคนก็คือเปโตยากบและยอนเป็นสาวกสามคนเขาเรียกสาวกวงในที่พระเยซูทรงพาเข้าไปด้วยในการรักษาบุตรสาวของเ ย, ยรัสที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะครับภูเขาสูงรูปนี้นักวิชาการเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะเป็นภูเขาเฮอร์โมนนะครับภูเขาเฮอร์โมนภูเขาเฮอร์โมนนี้อยู่ทางตะวัน ออกเฉียงเหนือของซีเซียฟลิปปีห่างออกไป22กิโลเมตรกว่าๆเราคงจำได้นะครับว่าเมืองนี้นะครับตั้งอยู่บนเนินเขาต่างๆของภูเขาลูกนี้ภูเขาเฮอร์โมนี้สูงมากครับเป็นเป็นเทือกเขาสูงจนกระทั่งสามารถมองเห็นได้จากทะเลทรายห่างออกไปถึง160กิโลความสูงนี้เกือบหนึ่งมืนฟุตนะครับ 9,000 กว่า เาันกว่าเกือบหนึ่งหมื่นฟุตจึงนับได้ว่าภูเขาเฮอร์โมนี่เป็นภูเขาสูงจริงๆครับมีคนพูดว่าถ้าจะขี่ม้าขึ้นไปบนยอดเขาต้องใช้เวลาถึงห้าชั่วโมงด้วยกันพี่น้องครับลูกานั้นบอกให้เราทราบว่าพระเยซูทรงพาเหล่าสาวกขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานเราสามารถสันนิษฐานได้นะครับว่าน่าจะเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะมืดค่ำดึกตื่แล้ว เพราะว่าสามคนนั้นนะครับง่วงเหงาเหานอนมากและอันที่จริงเนี่ยเปโตรยากรหย่อนเนี่ยถึงกับนอนหลับไปเลยพิพ่มพีบอกว่าพอพวกเขาตื่นขึ้นก็เห็นพระเยซูจําแรงพระ ก, กายครับคําว่าจําแรงพระ ก, กายนั้นหรือคําว่าการเปลี่ยนแปลงวั钵พระบวรกายนั้นในพระธรรมมัทธิวมารโกใช้คําว่าจําแลงพระ ก, กายลูกาใช้คําว่า การเปลี่ยนแปลงภพ ก, กายหรือใช้คําว่าวันณะของพระองค์ก็เปลี่ยนไปฉลองพระองค์ก็ขาวเป็นมันระยับขาวขึ้นมันนะครับมันเป็นความเป็นมันแวววาวของแสงอาทิตย์หรือโล่ทองนะครับโล่ทองสำัำริดนี่แหละครับแสงเจิดจ้าซึ่งทําให้คนตาผ้ามัวไปขณะหนึ่งในเวลากลางคืนก็ปรากฏเป็นแสงเจิดจ้าที่พอบรรกายของพระองค์นะครับ เหมือนกับรองเท้าที่ขัดขึ้นเงาหรือกับโลทองสำริดที่ขัดจนเงาเนี่ยครับนะมัตถิวกล่าวว่าพระพักของพระองค์ก็ทอแสงเหมือนพอาทิตย์นี่คือการจาแหล่งพระ ก, กายที่เป็นเรื่องราวเนื้อธรรมชาตินะครับพระกิติคุณทั้งสามเล่มก็คือมัตธิวมาลาโกแล้วก็ลูกกานั้นเล่าว่าเอลียามาปรากฏแล้วสนทนากับพระเยซู ลูกาเล่าว่าเรื่องสนทนานั้นคืออะไรพี่น้องครับให้เรานึกภาพนะครับเปโตรยากอบยอนเป็นผู้เห็นเหตุการณ์และลูกานะครับบันทึกว่าโมเสสเอริามาสานทนากับพระเยซูเรื่องอะไรครับพี่น้องถ้าเราดูในลูกาบทที่เก้าข้อที่สามสิบเอ็ดนะครับเราก็จะรู้ว่าเรื่องการจากไปเรื่องการจากไป ในภาษากรีกเป็นคำเดียวกันกับคนที่กำลังจะตายนะครับพวกเขาเชื่อว่าการตายคือการจากโลกนี้ไปพี่น้องครับเราลองคิดถึงนะครับความสำคัญของบุคคลทั้งสองที่มาปรากฏกับพระเยซูนบนภูเขาโมเสสนั้นเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงบทบัญญัตินะครับก็คือโมเสสนั้นเป็นเหมือนกับศาสดาของศาสนายิวเลยแหละครับในขณะที่เอรียานั้น เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของบรรดาผู้เผยพระวจนะนะครับแต่นี่ทำให้พระวจนะในมัทธิวบทที่ห้าข้อสิบเจดนะครับสาเร็จจำได้ไหมครับพี่พน้องครับพระเยซูได้อธิบายเป้าหมายอย่างหนึ่งที่พงษ์เสด็จมาในโลกนี้ในมัทธิวบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดนะครับอย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างธรรมบัญญัติและคําของผู้เผยพระวจนะเราไม่ได้มาเลิกล้าง แต่มาทําให้สมบูรณ์ทุกประการพี่น้องเห็นไหมครับธรรมบัญญัติใครเป็นตัวแทนครับโมเสสผู้เผยพรชนะใครเป็นตัวแทนครับเอลียาเห็นไหมครับเอลียาเป็นผู้แทนหรือตัวแทนของผู้เผยพจนะโมเสสเป็นตัวแทนของธรรมบัญญัตินะครับนี่คือข้อที่จริงที่สําคัญมากเกี่ยวกับบุคคลทั้งสองคนนี้ทั้งคู่นะครับทั้งโมเสส ทั้งเอลียามีประสบการณ์อย่างใกล้ชิดกับพระเจ้าบนภูเขาโมเสสนั้นใช้เวลาแปดสิบวันบนภูเขาซินานเพื่อรับบทบัญญัติและคำสั่งสำหรับชนชาติอิสราเอลโมเสสเป็นพยานถึงการที่พระเจ้าทรงบันทึกระบัญญัติสิบประการด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์เองส่วนเอลียาแหละครับเอลียานั้นได้รับการฟื้นฟูจิตวิญญาณอย่างยิ่งใหญ่ครั้งยิ่งใหญ่บนภูเขาโฮเรบ และการตายของบุคคลทั้งสองคนนี้ครับก็ผิดธรรมดาพระเจ้าทรงฝังโมเสสบนภูเขาเนโบนะครับและในสองพงศษบทที่สองข้อสิบเอ็ดเราเห็นว่าพระเจ้าทรงรับเอริยาขึ้นสวรรค์โดยรถเพลิงและมาเฟไเพีย่นัครับหลังจากนั้นอีกหลายร้อยปีครับโมเสสและเอริยาสองคนนี้แหละครับที่พระเจ้าทรงมาบนภูเขาเฮอร์โมน เพื่อสนทนากับพระเยซูเกี่ยวกับการที่พระองค์จะเสด็จจากโลกนี้นะครับไปกับไปสู่นิรันดร์การพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าสาวกที่พูดพรงขึ้นมานครับคือใครและอะไรที่แวบเข้ามาในสมองของเขาไปตนั่นเองใช่ไหมครับพรุ่งนี้เราจะติดตามต่อไปนะครับในเช้าวันนี้เราจะเห็นว่า องค์พระเยซูกิตนั้นเสด็จมาในโลกนี้ด้วยเต็มไปด้วยความหมายและความมุ่งหวังในแผนการของพระเจ้าพระเยซูมาเพื่อที่จะทําให้คำบัญญัติและคำของผู้เผยเพระเจะนะสมบูรณ์คําพยากรณ์ต่างๆที่เล็งถึงพระเยซูนั้นก็สมบูรณ์พี่น้องครับความสมบูรณ์ตรงนี้เองทําให้เรารู้ว่าพระเยซู ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญเป็นแผนการของพระเจ้าเี่นไหงครับเราเป็นชาวสวรรค์บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์เรารอคอยพระเยซูที่จะเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิริที่ทรงทรงจําแหล่งพระกายให้เราเห็นนี่เป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของเราทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นลูกของพระเจ้า เป็นสาวกของพระองค์อาเมน